ว่างจากความยึดมั่นการมีชีวิตไม่อาจคิดแค่18ก่อน18ต้องเคย8ปหลัง18ต้อง80ไม่ต้องหยิบดินน้ำไฟลมใส่ชีวิตชีวิตก็มีดินน้ำไฟลมประกอบพร้อมเราไม่ต้องสร้างอะไร เรามีหน้าที่แค่อ้างว่าของเราเราอยากเป็นอย่างนั้นเราไม่อยากเป็นอย่างนี้เท่าที่ดินน้ําไฟลมจะประสมให้มองดินเอาให้ได้อย่างดินมองน้ําเอาให้ได้อย่างน้ํามองไฟเอาให้ได้อย่างไฟมองลม เอาให้ได้อย่างลมดินน้ำไฟลมต่างรวมอยู่ในเราทั้งลมหายใจไออุ่นและเลือดเนื้อแต่ดินน้ำไฟลมไม่เคยยึดมั่นในตัวเราพวกมันแค่ประชุมรวมกันครู่หนึ่งถึงเวลาก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายมีแต่เราที่เฝ้าดูอยู่ด้วยสายตาเขลาหลง เห็นการประชุมในปีที่18เยี่ยมยอดนักเห็นภาวะใกล้สลายตัวในปีที่80แย่นักหนาสับประสิ่งเหมือนไม้หลักปักขี้เลนมือของคนโง่เท่านั้นที่กำแน่นทั้งรู้ว่าเสาในขี้เลนต้องเอ็นอ่อนเปราะบางและอาจพังคามือที่กำเปล่า ว่างจากความเกาะเกี่ยวสิ่งเดียวที่เหลือคือการเป็นอิสระ